พระบัญญัติ523รถ้าเครือัดชายหรือเครือหัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาตินำจีวรจำนวนมากมาปรนนาภิกษุนั้นภิกษุนั้นพึงยิน ด, ดีจีวรนมีอุตราสง์และอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรที่เขานำมานั้นถ้าิน ด, ดีเกินกว่านั้นต้องอบัตินิสักียปาจิตติเรื่องพระชพปคีจบ